พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทุกคนต้องคิดพึ่งตัวเองจะไปหวังพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่นั้นไม่ได้ราะวะสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยง มันพึ่งกันอยู่ได้ชั่วระยะเวลายังมีชีวิตอยู่ถ้าดีต่อกันก็พึ่งกันได้ถ้าไม่ดีต่อกันก็พึ่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแหละมันจึงจําเป็นที่เราจะต้องคิดพึ่งตัวเองการคิดพึ่งตัวเองเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่ง ไม่มีอะไรนอกจากคุณความดีที่เราประพฤติด้วยกายวาจาใจเราฝึกตนให้เป็นผู้ที่ชอบกับความดีเกลียดต่อความชั่วนี่แหละการที่คนเราจะพึ่งตัวเองได้คนที่ยังพอใจในการกระทำความชั่วอยู่อย่างนี้ มันจะพึ่งตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าความชั่วนั้นเมื่อมันบังเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วมันจะไม่ได้แสดงออกทางกายวาจานี่ไม่มีมันต้องแสดงออกใครได้พบได้เห็นเข้าก็รังเกียจ ไม่ปรารถนาที่จะสมาคมคบหาไม่ปรารถนาที่จะให้พึ่งพาอาศัยนี่นี่ธรรมดาว่าเรื่องความชั่วมีอยู่ในผู้ใดแล้วแม้จะหวังไปพึ่งผู้อื่นก็บเขาก็ไม่ให้พึ่งทันจะพึ่งตัวเองก็พึ่งไม่ได้ เพราะว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วนะยกตัวอย่างเช่นจะไปเป็นกรรมกรไปรับจ้างทำงานให้คาหากบดีผู้เขามั่งมีเมื่อเขาเห็นนิสัยดุร้ายนิสัยโลเลเกียรคร้านทำการงานไม่เอาจริงเอาจังเขาก็ไม่จ้างเลย นี่ะคนเราที่จะได้กลายไปเป็นโจรขโมยเพราะนิสัยมันไม่ดีอย่างนี้เมื่อไม่มีใครต้องการนยมันก็ไปเป็นโจรเนยมันในคบ ก, กับคนพาลเขา้าชักชวนกันไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนทุกแสนยากในที่สุดก็ต้องไปติดคุกติดตาราง เช่นนี้นะคนเราได้ถือว่าพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ผูใ้ใดมีนิสัยดีชอบความดีกระทำแต่คุณงามความดีด้วยกายว า, จาใจอย่าง น, นี้นี่ใครๆก็ย่อมยินดีาบหาสมาคมแม้จะไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขาก็ยินดีจ้าง เขาก็ยินดีให้รางวัลพิเศษสำคนซื่อสัตว์คนทำงานเก่งคนไม่เล่นตัวไม่ถือตัวดูจากเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณแก่ตนผู้เช่นนี้ไปในใครก็สงสารเอ็นดูเขาก็ให้พึ่งการที่ผู้อื่นจะให้พึ่งได้ ก็เพราะว่าตนนี่แหละทาที่พึ่งของตนให้มีขึ้นในตนซะก่อนหมายความว่าอย่างนั้นคาว่าคนลอยต้องคิดพึ่งตัวเองนะนะไม่ได้หมายว่าอะไรอะไรตนเองต้องทําเอาหมดอย่างนั้นจึงเรียกว่าพึ่งตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือว่าเราต้องทําคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตน ฝึกฝนอบรมสติปัญญาให้บังเกิดขึ้นแสดงความเฉลียวฉลาดให้ปรากฏในสังคมเช่นนี้แล้วใครๆก็ประสงค์ถ้าหากว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้นะถ้าเป็นเป็นชายหนุ่มอย่างนี้ผู้สาวก็ชอบถ้าเป็นหญิงสาวชายหนุ่มก็ชอบถ้าเป็นเจ้าเป็นนายอย่างนี้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็นับถือเคารพยำเกรง <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็มีทา ย, ยกทายิกาชาวบ้านญาติโยมเขาก็เริ่มใส่นับถือยินดีกราบไหว้ถวายทยาทานด้วยความเต็มใจนี่นะอนุภาพแห่งความดีอนุภาพแห่แง คนเรามีความดีเป็นที่พึ่งอยู่ในใจจะไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากขาดเขิน <c oughs> ผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจหมูนี้นะย่อมเป็นที่รักให่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณธรรมมูนีนะ้แหละฉะนั้นข้อที่ว่า คนเราต้องคิดพึ่งตัวเองให้ได้เราก็ต้องพยายามสร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในใจของตนอย่างนี้เลยเมื่อมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วการแสดงออกทั้งทางกายและทางวาจามันก็มีแต่ความดีงามทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นใช่ไหม เช่นอย่างว่าผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจอย่างนี้นะเมื่อแสดงออกทางกายทางวาจาก็อ่อนโยนอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างการกล่าววาจาก็เป็นวาจาที่อ่อนโยนอเป็นไม่ไม่เป็นวาจาที่หยาบคายต่างๆเพราะว่าผู้มีเมตตากรุณารมอยู่ในใจแล้วมันไม่โกรธจิตใจไม่สูนเชียว เหตุฉะนั้นนี่ยมันจึงในแสดงออกทางกายวาจายอย่างสุภาพเรียบร้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจจึงชื่อว่าเป็นที่รักให่ของมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธบริษัททั้งสี่เหล่านี้แหละ ทั้งภิกษุสามนเณนรทั้งอุบาสกอุบาสิกาต้องพร้อมใจกันปฏิบัติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนให้ได้อันเมื่อมีเมตตาขึ้นในใจแล้วมันทำความดีได้ทุกอย่างเลยลองคิดดูให้ดีอันเมตตานี่มันก็เริ่มตั้งแต่เมตตาตนนี่แหละไปก่อน แล้วเมื่อตอนฝึกตนให้ดีงามให้เป็นคนดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำความดีต่างๆได้แล้ววนันนี่มันก็จึงเมตตาเผื่อแผ่ไ้ทุ้งคนอื่นได้จึงแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้เมื่อตนมีเงินมีทองมากกัอย่างนี้มันก็จึงจะสงเคราะห์คนยากคนจนได้อย่างนี้แหละ ถ้าหาว่าตนไม่มีเงินไม่มีทองอล้นี่ก็จะไปสงเคราะห์คนจนได้อย่างไรอ่ะคำว่าวเมตตานี่ก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขเมื่อไม่มีวัตถุสิ่งของอะไรจะให้เขาเขาไม่ได้ของอะไรกับเราเขาจะได้รับความสุขอะไรจากเราเงิ น, น <c oughs> หรือเมื่อเรากล่าววาจาอ่อนหวานไม่เป็นอย่างนี้นะพูดอะไรก็ขวนผา วอนผ่าซากไปเนี่ยใครเขาจะยินดีละ่ะนั่นแหละไม่มีใครเขายินดีพอใจเลย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยคติธรรมของพระอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์ของพระกรรมฐานทั้งหลายในยุคนี้ท่านจึงฝากคติธรรมไว้ในโลกนี้นะ คำว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้สมบัติอันใดก็เหมือนไม่เหมือนอย่างได้ตนของตนเพราะการได้ตนของตนเนี่ยย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงดังนี้ <c oughs> นี่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ใช่ว่าจะมีระดับเดียวกันไม่ใช่ มันมีระดับอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงแล้วก็ความดีบางอย่างมันก็ยังมีให้โทษได้อยู่นั่นแหละความดีบางอย่างมันก็ดีไปเรื่อยๆมันไม่ได้ให้โทษ <c oughs> ความดีที่มันยังให้โทษได้อยู่นั้นเป็นความดีที่มันยังแฝงอยู่ด้วยกิเลสบา ป, ปรธรรม <c oughs> อุปมาเหมือนอย่างมีดพระที่บุคคลทิ้งไว้เฉยๆไม่ใช้มันมันเกิดสนิมจับเกะกลางไว้หมดแล้วจะไปเอาไปฟันไม้อะไรก็มันไม่เข้าเพราะว่าสนิมไปกินคมมันนะมันตู้หมดเลยนั่นนะ่ะผู้ที่จะใช้มีดพระอย่างนั้นมันก็ต้องไปลับไปฝนใส่หินซะก่อนให้มันคมกริบ แล้วอย่างนี้ไปตัดไม้ฟันไม้มันก็จึงไ็จเข้าได้อันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นไงกายวาจาใจของคนเรานี่นะเมื่อยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่อย่างนี่มันจะเอาไปใช้การงานจะไปประพฤติคุณงามความดีต่างๆนี่มันยากที่จะทำได้เหมือนอย่างมีพระที่มีสนิมจับอยู่นั่นเนี่ย มันก็ใช้งานไม่ได้ดีเลยก็ mm hmm. เมื่อคนเรานั้นได้ตรวจค้นดูตัวเองเห็นว่าตนเองนี่นะมันยังมีความชั่วติดติ ด, ตดใสอยู่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พยายามละความชั่วนั้นออกไปจากจิตใจให้ได้อย่างนี้เมื่อละความชั่วนั้นออกไปได้แล้วอย่างนี้ จิตใจมันก็ย่อมผ่องใสสะอาดอเมื่อใจผ่องใสสะอาดใจดีแล้วการแสดงออกทางกายมันก็ดีพูดอะไรออกมาทางวาจามันก็ดีอย่างนี้แหละใครได้เห็นได้ฟังแล้วก็ชื่นชมยินดียินดีคอบหาสมาคมต่อไปอนี่คนเรานะ่ะมันต้องให้รู้จักอย่างนี้ ที่คติธรรมที่ว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ น, นะนก็เมื่อบุคคลมาเพียรพยายามละความชั่วออกจากกายวาจาใจได้มันก็ทําความดีเข้าใส่ไวในกายวาจาใจของคนผู้เช่นนั้นน่ะมันก็จะมีแต่ความดีความชั่วไม่มีอันนั้นท่านเรียกว่าดีเลิศแี่ยังไม่เลิศแท้หรอก เพียงแต่ว่าไม่มีบาป ก, กรรมความชั่วอยู่ในใจนั้นเท่านั้นแต่กิเลสส่วนอื่นน้นมันยังมีอยู่ต่อเมื่อมาเพียรพยายามละกิเลสส่วนที่ยังเหลืออยู่นั้นออกไปให้หมดให้สิ้นไปได้นั่นจึงได้จัดว่าดีเลิศได้บบบ น, นี้<ม>เป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้การได้สมบัติอันใดก็ไม่เหมือนได้ตน เพราะการได้ตนย่อมเป็นบอ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงอันนี้ก็เป็นความจริงก็เมื่อไม่มีอัตภาพร่างกายนี้แล้วมันจะไปมีสมบัติอะไรได้ล่ะเงินทองเข้าของใครไปหาเอามาเมื่อมันไม่มีรูปร่างอันนี้แล้วอืการที่บุคคลมาได้รูปร่างอันนี้เป็นคนนี้ขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งบุญกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้กระทาไว้แต่ปางก่อน นนแหละมันติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกาย เ, เป็นมนุษย์นี่ให้เมื่อได้อัตภาพร่างกายนี่มาโดยสมบูรณ์แล้วเ <c oughs> ช่นนี้เนะี่ยประกอบกับแต่ชาติก่อนก็ได้ศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้มาได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตได้ฟังภาษิตของท่าน อ, อ, อย่างนี้ตนก็เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดติดตัวมา ก็เกิดมาชาตินี้พอได้มาศึกษาเราเรียนวิชาความรู้เข้าไปมันก็จำได้แม่นเข้าใจได้รวดเร็วเพราะว่านิสัยที่ได้เคยฝึกฝนมาแต่ก่อนนั้นมันมาสนับสนุนทำให้การศึกษาเราเรียนนั้นคล่องแคล่วดีฉเฉลียวฉลาดนับตั้งแต่เรียนภาษาของชาตินันแหละมา เรียนภาษาไทยได้มาแล้วจนได้มาเรียนภาษาธรรมะเข้าไปมันก็จำได้ง่ายดีเมื่อได้เรียนหลักสูตรธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจำได้แล้วมาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ท่านยกหัวข้อทมอะไรมาแสดงให้ฟังก็เข้าใจได้รวดเร็วอืม อันมูนี้แหละการที่เราได้อัตภาพร่างกายมาและได้มีจิตใจดีจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานั้นอันนี้นี่ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆคิดดูให้ดีถ้าหาวัตถชาติก่อนนน้ตนไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาไม่ได้เข้าใกล้นักปาาบัณริต ไม่ได้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทุนร้อนมาอย่างนี้ไม่มีทางหรอกที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะได้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้นะออบางคนก็อาจจะคานว่าเอาพวกที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแล้วเขาก็ยังเกิดมาเป็นคนมีร่างกายใหญ่โตก็มออีร่างกายสมบูรณ์ กลัวคนที่นับถือปรทชนากรก็มีบางคนก็อาจจะค้านมาอย่างนี้ก็ได้อันคุณธรรมที่ให้บุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้มันเป็นสาธารณะทั่วไปได้แก่สินห้ากรรมบท10สิบนี่นะหรือว่าได้แก่การให้ทาน เ, เข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าหม่มเป็นต้นเหล่านี้แหละอันนี้แม่ พวกที่นับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็ให้ทานได้เขาก็มีศีลได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นแหละก่ออาศัยคุณธรรมเหล่านี้นำเขามาเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วก็ชาติที่ไม่นับถือบุรธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแข็งแรงหรือเป็นคนที่มีกำลังกายสมบูรณ์ทั้งหมดหาไม่ได้ มันก็เหมือนๆกันแหละกับเรานับถือวัฎษานานี่ที่เกิดมาในชาตินี่คนที่นับถือศาสนาอื่นคนเกิดมามีร่างกายขี่กระจอกงอกง่อยไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็มีอยู่ท้องไป hmm. อันนี้เรียกว่ามันเป็นโลกียะกุศลโลกียะกุศล น, นี่แม้ว่าใครจะนับถือศาสนาใดๆ ก็วบำเพ็ญให้เป็นไปได้อไปอย่างนั้นมีแต่โลกุตระกุศลเท่านั้นแหละถ้าหากว่าใครไม่ได้มาปฏิบัติตามคําสอนของอุตตเจ้านี่เราไม่มีทางจะบรรลุโลกุตระกุศลได้ให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นการที่เรานับถือพุทธศาสนานี่เราไม่ได้มุ่ง ที่จะบําเพ็ญบุญกุศลอันจะเพ่งเป็นส่วนโลกียะธรรมเท่านี้อย่าไปมุ้งเพียงเท่านี้เราต้องมุ้งเพื่อให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมนุ่นโลกุตระกุศลนุ่นต้องมุ่งในใจอยู่อย่างนั้นเพราะว่าโลกียะธรรมนี่มันพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตาสงสารไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดจริงจริง แต่ต้องวนเวียนอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่มีอุบายที่จะละทันหาให้ขาดจากกิจสันดานเลยความรู้ในโลกีธรรมนี่นะแม้ว่าผู้ที่จะบําเพ็ญฌานได้บรรลุรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ไปนู่นก็ตามนะก็ยังไม่สามารถจะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้เมื่อหมดอริสง์แห่งฌานนั้นแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีก ก็ต้องมาสะสมกิเลสตัณหาไปใหม่ตั้งต้นไปใหม่อีกอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ทาอาศวะกิเลสให้หมดสิ้นได้ด้วยโลกิยธรรมไม่มีให้พากันเข้าใจดังนั้นน่ะการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยลองสังเกตดู ผู้ที่มีอินทร์บารมีแก่กล้ามันก็เห็นโทษในการมคุณทั้งหลายหาหนทางถอนตัวออกจากกรรมคุณมาบวชเรียนในพุทธศาสนานี่ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามักมีองค์แปดประการ ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในกายวาจาใจของตนเพราะว่ามรรคอันมีองค์แปดประการหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นคุณธรรมสำหรับกรรมจัดกิเลส ท, ทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ออกไปจากจิตใจได้ <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ ไอ้ข้อความที่แนะนําเบื้องต้นนั้นว่าคนเราต้องทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนให้ได้นั่นเราก็ทําที่พึ่งให้ของตนให้ได้เป็นขั้นเป็นตอนมาโดยลําดับไม่ใช่ว่าเราจะไปกระโดดให้ถึงพระนิพพาน ล, ลวดเดียวนั้นไปไม่ได้เราทีแรกก็ต้องพึ่งบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี้แหละไปก่อน พึ่งอา น, นิสงส์แห่งทานพึ่งอานิสงส์แห่งศีลอันนี้อา น, น, อ น, นิสงส์ทานศีลนี่จกไม่ให้เราไปตกในรลกอาบาัยภูมิจกพ้นจากความเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าพ้นทุกข์อย่างยาบเองนั่นนี้อา น, นิสงส์้หารภาวนา จะเป็นเหตุให้เราละกิเลสขาดจากสันดานได้โดยเอกเทศบัางโดยสิ้นเชิงบัางตามกำลังวาสนาบารมีของตนของตนถ้าหากว่ามันจะเป็นไปได้นะถ้าหากว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมกผลนิพพานได้ง่ายผู้ที่มีภาวนาอยู่ในใจนะ ผู้ฝึกขนสมาธิผู้ฝึกเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจติดต่อกันไปจนตลอดชีวิตแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้อย่างนี้นะพอไปเกิดไปชาติหน้าได้พบพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ใดพระ อ, องค์หนึ่งพอแต่ได้ฟังธรรมเท่านั้นแหละ จบลงก็บรรลุมรคผลธรรมวิเศษได้เลยก็มีแต่บางท่านก็พอได้ฟังธรรมเท่านั้นก็ได้รู้แนวทางปฏิบัติใจทันทีแล้วลงมือปฏิบัติไปไม่นานก็ได้สำเร็จมรคนิผ่านไปได้ <c oughs> อย่างนี้แหละให้ลองคิดดูท่านผู้ที่ประพฤติคุณธรรม อุทิศชีวิตต่อพระเจ้าอย่างที่ <c oughs> มัทธากุนทะลีมานบลูกของเศรษฐีในครั้งพระพุทธเจ้าน่นะเศรษฐีในเมืองสาวถีนั่นแหละก็พ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระศาสนาแต่มีเงินเป็นโกรธเป็นล้านหลายล้าน ไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรส่วนลูกนั่นมันก็ยังเยาอยู่เมื่อพ่อแม่ไม่ผาทำบุญก็ไม่ได้ทำาพราะเจ็บหนักลงอย่างนี้พ่อแม่นะเอามานอนอยู่ระเบียงข้างนอกห้องนอนภายในเอามานอนอยู่ระเบียงนอกพระพุทธเจ้าเลีงยานสองสัตว์โลก มัทกะคุณลีมานกนี่ก็ไปต้องข่ยพยานของพระองค์พระองค์รุงช้าแล้วพระองค์ก็เสด็จมาบิณฑบาตกับพระสงมาประทับยืนอยู่หน้าบ้านเปล่งพระราชมีไปต้องฝาเรือนที่มานกนอนอยู่นั้นมานกหันหลังเข้าใส่ฝาพอเห็นแสงสว่างเช่นนั้นก็พลิกตัวมา ตามแสงนั้นก็จึงได้เห็นพระศาสดาประทับยืนอยู่พร้อมโดยพระสาวกมีพระรสมีหลังสีหกประการ ช, ช่วงออกมาจากพระวรกายของพระองค์มัทธากุลทะีมานุ ก, กยกมือไหว้พร้อมด้วยแสดงความเรื่มใส่หินดีอย่างยิ่งว่าโอ้หนอพระพุทธเจ้ามาโปรดเราแล้วเท่านี้แหละ มัถทาคุณธลีก็มีใจเบิกบานผ่องใสทุกขเวทนาก็เบาบางจากขีดใจเมื่อพระองค์เห็นว่ามัถทาคุณธรีนั้นมีความเลื่อมใสมั่นสมควรแล้วจึงเสด็จไปบินทบาต ท, ที่อื่นแล้วมัถทาคุณธรีก็ถึงแก่กรรมไปด้วยอา น, นิสงส์นนั้น่ะก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิ่งอา น, นิสงส์ที่มีความเลื่อมใส จริงใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นเดี๋ยวนี้เมื่อมัทาคุณธีได้เป็นเทพบุตรแล้วมาทรมานอาวีดาให้บิีดาเป็นสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วอวีดาก็ได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ประชาชนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่า ขหบดีคนนี้นะมีความร่วมใสในพุทธศาสนาก็พากันมาร่วมทำบุญด้วยเป็นจำนวนมากเมื่อพระ อ, องค์ฉันเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมให้ที่ประชุมนั้นฟังจบลงบิดาของมัทธะกุลทรีมานพนั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลพร้อมด้วยมารดาและประชาชนอื่นๆก็ได้บรรลุมรคผลตามกัน พระองค์ก็วันดานให้มัตถากุณฑลีเทพบุตรลงมาให้ปรากฏให้คนได้เห็นแล้วก็ถามความเป็นมาของมัตถากุณฑลีว่าได้ทําบุญอะไรถึงได้เกิดเป็นเทวดาอย่างนั่นมัตถากุณฑลีก็ว่าได้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าก่อนตายได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งท่านนี้แหละไม่ได้ทําบุญอะไรอมัตถากุณฑลี เทพระบุตรนั้นได้ฟังทรรมคำสอนของพระเจ้ากบันลุโสดาบันเหมือนกันเลยบ้านี อ, อย่างนี้นะให้พึ่งพากันคิดดูให้ดีในพุทธศาสนานี้เท่านี้น่ะที่จะได้มีมรรคมีผลที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วสามารถนำตนให้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มินรกเป็นตนได้โดยเด็ดขาดจริงๆ และชีวิตของพระโสะดาบันนั้นมีแต่หมุนไปสู่พนิพานอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นสำหรับบุคคลผู้ได้บรรลุเพียงโลกียธรรมนี้นั้นชีวิตนี้ไม่แน่นอนเลยบางทีอาจจะหมุนไปสู่นรกอีกก็ได้ไม่แน่นอนก็ฉะนั้นพึงพางกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปด้วยความไม่ประมาท พยายามรักษาบุญกุศลที่เราได้กระทําบําเพ็ญมานั้นพยายามรักษาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมั่นในใจของเราต่อคุณพระรัตนไกรนั้นไว้ให้ได้อย่าให้เสือ่อมเพราะว่าบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มันเสื่อมได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่รักษาจิตใจให้ดีเราปล่อยใจให้หลงไหลไปตาม ความชั่วร้ายต่างๆแล้วอย่างนี้นะบุญกุศลที่ทํามาแล้วมันอาจเสื่อมไปก็ได้เพราะใจไปฝักใฝ่ในความชั่วเ อ, อ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจนี่มันมีดวงเดียวถ้ามันน้อมไปทางชั่วแล้วมันก็ทิ้งทางดีถ้ามันน้อมไปทางดีได้แล้วมันก็ทิ้งทางชั่ว อ, อ่าเป็นอย่างนี้ไปพึ่งพากันเข้าใจวันนี้เมื่อเรามามองเห็นว่า อันขึ้นซื่อว่าความชั่วแล้วนี่เราไม่ปรารถนาเลยอย่างนี้เราก็พยายามรักษาจิตใจอย่าให้มันเอียงไปทางชั่วเลยต่อไปให้ทำความชื่นชมยินดีในบุญกุศลความดีที่เราก็ทํานี่เลื่อยไปจนตลอดชีวิตนูน่นแอย่างนี้นี่มันก็เป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้ได้บรรลุถึงซึ่งสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติ อันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เราต้องการปรารนาทุกผู้ทุกนาม <c oughs> ดังนั้นเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็เพิ่งพากันพยายามทมที่พิ่งให้แก่ตนของตนให้ได้ได้แก่การที่เราพอเยริญเมตตากรุณาธรรมนี้แหละให้มากขึ้นไว้ในใจเมื่อเรามีธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วนะ มันจะเป็นทุนหมุนให้กระทำความดีตั้งแต่อย่างต่ำนี้จนถึงอย่างสูงได้ทีเดียวแหลยถ้าว่าใครไม่มีเมตตาตนอย่างแรงกล้าอยู่ในใจแล้วผู้นั้นจะทำความดีต่างๆไม่ได้เลยให้พึงเข้าใจก็คนไม่รักตนนี่ไม่ปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขแล้วมันจะไปทำความดีได้อย่างไรนั่นแหละ ถ้ามองดูตนของตนว่าตนของตนนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกนี้อย่างนี้นะผู้นั้นมันก็จะต้องสะสมความดีใส่ตนแล้ให้เต็มที่เลยนะให้เต็มความสามารถทีเดียวสิ่งใดชั่วมันก็ต้องสลัดออกไปนหละเพราะรักตนนี่ปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงตั้งอยู่ในอภมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมีสติสัมปชจจัญญะฝึกตนไปดังที่แนะนำมานี่แล้ว